มาขึ้นข้อความในพระสุตันตปิฎกคุถการนิกายพุทธวงศ์ข้อความในพุทธวงศ์นั้นจะเริ่มต้นแรกแตรัสรู้ตรงตอนแรกแตรัสรู้สัปดาห์ที่8ปดตอนที่พรห ม, มาราธนาซึ่งข้อความในรัตนจังกรรมะกันข้อที่หนึ่งหน้าแรกกล่าวว่าเท้าสหัมบดีพรหม พอเป็นเจ้าแห่งโลกประคองอัญชลีทูลขอพร อ, อันยอดเยี่ยมว่าหมู่สัตว์ในโลกนี้ที่มีกิเลสดุดทุลีในดวงตาน้อยยังมีอยู่ขอทรงเอนดูแสดงธรรมโปรดหมู่สัตว์นี้ด้วยเถิดอันนี้ก็เป็นคำที่พรหมอาราธนาซึ่งเนื้อความโดยพิสดาร น, นั้นเราจะได้ฟังทบทวนอีกครั้งหนึ่งในอัตถกถา ตอนนี้เราก็ฟังบาลีไปก่อนอันคำว่าขอทรงเอ็นดูแสดงธรรมโปรดหมู่สัตว์นี้ด้วยเถิดคำนี้แปลว่าขอจงโปรดปล่อยหมู่สัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากสังสารทุกข์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นเจ้าโลกผู้สูงสุดในนรชนอันหมู่พรมผู้ประคองอันชฉลิทูลขอว่า หมูปราในโลกนี้ที่มีกิเลสดุจธุลีในดวงตาน้อยยังมีอยู่ขอทรงเอนดูแสดงธรรมโปรดหมูสัตว์นี้ด้วยเถิดข้าแต่พระผู้นำขอพระสุค ต, โรรโติโปรดแสดงธรรมโปรดแสดงอมตะบทโปรดแสดงธรรมเพื่ออนุเคราะห์โลกทั้งหลายอันนี้เป็นคำนอ้อนวอนทูลอาราธนาของเท้ามหาพรหมเพราะว่าสมัยนั้น หมูสัตว์ทั้งหลายเขาถือว่าพรมเนี่ยเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพันพรมมาอาราธนาพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าพระพุทธเจ้านี่เหนือกว่าพรมเมื่อเหนือกว่าพรมนั้นพระพุทธเจ้านั้นอันพรมอาราธนาหมูสัตว์ทั้งหลายเคารพพรมเพราะฉะนั้นคําพูดของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธพจน์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายก็ตั้งอกตั้งใจฟังว่าพระธรรมนี้ไม่ใช่ธรรมธรรมดาแม้แต่พรมยังต้องอาราธนา พระตถาคตผู้มีวิชาและจารณะพรั่งพร้อมแล้วผู้คงที่ผู้ทรงความรุ่งเรืองทรงพระบรากายสุดท้ายไม่มีผู้เปรียบทรงเกิดพระกรุณาในสัตว์ทั้งปวงคือพระพุทธเจ้าผู้ทรงอรหันตคุณเป็นต้นน่ะนะบทความตรงนี้ก็คืออิติปิโสโดยย่อนั่นเองพระองค์นั้นมีเกิดพระมหาการุณาก็คือพิจารณาความเป็นไปของ สัตว์เนี่ยนะเห็นความทุกข์ของสัพพะสัตว์ทั้งหลายก็มีจิตคิดปลดเรื่องให้สัตว์พ้นจากทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้พระศาสดาทรงสะดับคาของพรหมนั้นแล้วจึงได้มีพระพุทธารมรมตรัสว่าดูก่อนพรหมเราเปิดประตูแห่งอมตะนครสำหรับท่านแล้วคือเราเปิดประตูคืออริยมรรคเป็นประตูแห่งพระนิพพานสาหรับท่านแล้ว ขอสัตว์ที่มีโสดจงปล่อยศรัทธาออกมาเถิดแต่ก่อนเราเข้าใจว่าจะลำบากก็คือจะลำบากเปล่าหรือเหน็ดเหนื่อยเปล่าเราจึงไม่กล่าวทมอันประนีที่คล่องแคล่วในหมู่มนุษย์สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจอมมุนีผู้ทรงอนุเคราะห์เวนยศาสตร์ทั้งหลายก็ทรงออกจากต้นอาชปาละนิโครธคือต้นไทรเนี่ยนะเสด็จพระพุทธดเนินโดยลาดับเข้าถึงกรุงพาราสี ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับนั่งเหนือพุทธอาฏอันประเสริฐนั้นทรงประกาศพระธรรมจักรคือประกาศทุกข์ทุกขสมุทัยทุกขนิโรธและมรรคอันอุดมรเรียกว่ามรรคอันสูงสุดแก่ภิกษุปัญจวัคคีพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศพระธรรมจัก น, นั้นแล้วพระภิกษุปัญจวัคคีคือโกนทัญญาพัทธิยวะ ป, ปะมหานามะและอัสชิ ทั้งหมู่เทวดาคือพรม18โกดในครั้งนั้นก็ได้ตรัสรู้ธรรมในการประชุมครั้งแรกเรียกว่าธรรมมาพิสมัยครั้งแรกเนี่ยมีผู้ที่ตรัสรู้18โกธเนี่ยนะไม่ต้องนับหนึ่งนับสองเขาวอกงั้นภิกษุปัญจวคีทั้งหมดอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงแนะนำโดยธรรมะปริยายอื่นตามลาดับเช่นปกิณกะกะถาและอนัตตาักขณะสูตรก็ตรัสรู้ พร้อมทั้งหมู่เทวดาพรม18โกฎในครั้งนั้นโซดาปฏิผลก็ได้มีในการประชุมครั้งแรกคือสำหรับพระอัญญาโกนธัญะก็เป็นพระโซดาบันในการฟังธรรมจักครั้งแรกหลังจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จพระพุทธลำเนินมาจนถึงกรงราชครึกพระจอมมุณีก็ประทับณนะพระเวโรวันมหาวิหาร พระเจ้าพิมิสารทรงสดับข่าวก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเท้าเธอมีบริวารมากถึง11ณ ห, หุตคือ11บ0 0 0ดื่นะนะทรงบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเทียนด้วยธูปของหอมและดอกไม้เป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอนุปุพิกถาประกอบไปด้วยกา ม, มาทีนบในสมาคมนั้นนั่นแลจบเทศนาครั้งนั้นสัตว์ 84% ดหมพัน มีพระราชาเป็นประธานก็ตรัสรู้รมอันนี้เป็นการกล่าวเล่าแบบรวบรัดเนี่ยนะก็ถือแบบค่อนข้างรวบรัดมากกล่าวพุทธประวัติหลังจากพระองค์ตรัสรู้สัปดาห์ที่8นิดเดียวแล้วก็ข้ามไปจนถึงโปรดปัญจวัคคีย์ที่ปายสิ ป, ปั ต, ตนับมรุกขายาวันออกพรรษาก็มา พระนครราชเครึกเลยเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นการเล่าถึงพุทธประวัติแบบย่อในบาลีส่วนในอัตกรถาอธิบายตามลำดับโดยละเอียดเนี่ยนะในอัตกรถาพุทธวงศ์เนี่ยนะค่อยๆมาทำความเข้าใจในมัทุรัฐวิลาสีเนี่ยนะมัทุระเนี่ยแปลว่าน้ำผึ้งอัตถาก็คือเนื้อความที่มีประโยชน์หวานหยดย้อยประดุษน้าผึ้งเนี่ยนะ เวลาศีลิก็คือความงดงามนัคาถานอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นคาถานอบน้อมพระรัตนตรัยเบื้องต้นว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้มีพระญาณอันหาที่สุดไม่ได้ก็คือพระพุทธญาณทั้งหลายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเพราะว่าสิ่งที่ควรรู้มีจํานวนเท่าใดพระพุทธญาณก็มีจํานวน เท่านั้นพระพุทธยานมีเท่าใดสิ่งที่ควรรู้ก็มีเท่านั้นพันพระพุทธยานเนี่ยนะไม่มีที่สุดไม่มีประมาณมีพระกรุณาเป็นที่อาศัยคือพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ดํารงอยู่ก็คืออยู่ด้วยกรุณาถ้าไม่มีกรุณาเป็นที่พึ่งอาศัยพระองค์จะขวนขวายน้อยแต่ว่าพฤติกรรมกายกรรมวจีกรรมความประพฤติความเป็นไปแห่งชีวิตทั้งหมดของพระพุทธเจ้า อาศัยอยู่กับการุณาอยู่ด้วยการุณาจริงๆรงทรงทำลายมนทินคือความเศร้าหมองมนทินทางกายวาจาและใจทำลายมนทินคือราคะโทสะโมหะได้หมดแล้วมีพระหฤทัยอันมั่นคงมีจิตใจที่มั่นคงด้วยโลกธรรมทั้งหลายคือมีความเสมอกันในลากและเสื่อมลาบมีความเสมอกันในยศและเสื่อมยศมีความสม่ำเสมอกันในดินทาและสรรเสริญ มีความเสมอกันในสุขและทุกข์พราะพระองค์นี้มีความมั่นคงในโลกธรรมทั้งหลายเพราะพระองค์นี้ตรัสรู้ถึงธรรมที่ทําให้ถึงความมั่นคงคือพระนิพพานพระองค์นั้นอํานวยประโยชน์เกื้อกูลอํานวยก็คือแปลว่าให้นะอำนวยก็แปลว่าพระองค์นี้เป็นผู้ที่สามารถให้ประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ได้พระองค์สามารถให้ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและโดยที่สุดประโยชน์อย่างยิ่ง แล้วก็สิ่งที่เกื้อกูลเนี่ยนะฮิตะสิ่งที่เกื้อกูลก็คือมรรคผลนิพพานนั่นแหละั้นประโยชน์เกื้อกูลก็คือพระองค์สา ม, มารถอำนวยให้ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานคือพระองค์สา ม, มารถให้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติให้แก่สรพรพสัตว์ทั้งหลายได้อ่าท่าบอกว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นประตูแห่งความสุขเป็นประตูแห่งความสวัสดีเป็นประตูแห่งความ ปลอดภัยมันก็เลยกล่าวว่าขอนอบน้อมแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็คือพุทธะเน้นกิจในอริยศัสตร์ใช่ไหมพุทธะก็คือกิจในการกาหนดรู้ทุกกิจละสมุทัยกิจทำนิโรธให้แจ้งแล้วก็กิจเจริญอริยมรรคมันพุทธโทธก็คือตรัสรู้สัจจะหรือยามที่แทงตลอดสัจจะพระพุทธเจ้าผู้แทงตลอดสัจจะ ด้วยลำพังโดยชอบโดยถูกต้องโดยพระองค์เองเนี่ยนะพระก็ขอนอบน้อมด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจเนี่ยนะแด่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระญาณอันหาที่สุดไม่ได้เนีย่ยนะขอบเขตแห่งพระญาณของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีที่สุดประดุดอากาศพระองค์นี้อาศัยดํารงอยู่ในโลกด้วยพระกรุณา ทำลายความเศร้าหมองภายในของพระองค์ได้เสร็จสิ้นไม่ว่าจะเป็นความเศร้าหมองทางกายวาจาและใจความเศร้าหมองที่เกิดจากราคะโทสะและโมหะมีพระหริไยไยอันมันม่นคงมั่นคงไม่หวั่นไหวในโลกธรรมเพราะพระองค์สามารถพิจารณา สิ่งที่ไม่ปฏิกูลว่าปฏิกูลสิ่งที่ปฏิกูลว่าไม่ปฏิกูลสิ่งที่ไม่ปฏิกูลว่าปฏิกูลทั้งปฏิกูลไม่ปฏิกูลว่าปฏิกูลทั้งปฏิกูลไม่ปฏิกูลว่าไม่ปฏิกูลก็ได้หรือจะดำรงอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะพิจารณาสังขารธรรมเข้าพละสมาบัติต่อไปเลยก็ได้นี่นพระองค์จึงเป็นผู้ที่มีจิตใจอย่างมั่นคงอย่างสูงสุดและพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นไม่ใช่ดีเฉพาะตัวอย่างบางคนเขาว่าดีเฉพาะตัวไม่ พระพุทธเจ้าไม่เป็นคนที่ดีเฉพาะตัวความดีใดคุณธรรมใดที่พระองค์มีอยู่ประโยชน์สุขเหล่าใดที่พระองค์มีอยู่พระองค์ก็สามารถอํานวยสามารถที่จะให้ประโยชน์เหล่านั้นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้พระองค์นั้นคือผู้ที่ให้ประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระธรรมอันประเสริฐเครื่องป้องกันพบพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้ พระธรรมเหล่านั้นเป็นเครื่องป้องกันพบพระธรรมอันประเสริฐนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงอริยมรรคอริยผลและพระนิพพานรวมทั้งปรยิยติธรรมทั้งหลายที่เป็นข้อปฏิบัติพระธรรมที่กล่าวถึงข้อปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพา น, านแต่ตรงนี้บอกว่าพระธรรมอันป ร, ประเสริฐก็หมายถึงโลกุตตรธรรมรวมทั้งพระปรยิยติธรรมพระธรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นเครื่องป้องกันพบอย่างเช่น อบายพบในอบายคืออบายภพเนี่ยนะต้องการได้ด้วยศีลเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมีสมาธิพอประมาณมีปัญญาพอประมาณมีอนมีสมาธิมีปัญญาพอประมาณเนี่ยนะแต่ความบริบูรณ์แห่งศีลของพระโสดาบันผู้เห็นสัจธรรมนี่นะตรัสรู้ธรรมอันประเสริฐก็ปิดอบายภพได้พระนาคามีทั้งหลาย ท่านเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์แล้วก็มีปัญญาพอประมาณท่านจึงป้องกันตัวเองให้พ้นจากกรรมมพบทั้งหลายส่วนพระอรหันทั้งหลายผู้บริบูรณ์ด้วยอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาบริบูรณ์ด้วยคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนท่านเหล่านั้นก็พ้นจากวัตทุกขพระธรรมใดที่นำออกจากอบายนำออกจากกรรมมพบนำออกจากวัตะพระธรรมเหล่านั้นเป็นพระธรรมที่ประเสริฐ มันก็ขอนอบน้อมแด่พระธรรมอันประเสริฐที่เป็นเครื่องป้องกันพบทั้งหลายเหล่านั้นขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปราศจากมลทินและเป็นบ่อกเกิดแห่งคุณความดีพระสงฆ์ทั้งหลายเรียกว่าผู้เสมอการด้วยศีลเสมอการด้วยทิฏฐินี่นะพระสงฆ์คือพระโสดาบันเป็นต้นเสมอการด้วยศีลเสมอการด้วยทิฏฐิ พระอริยสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ปราศจากมนทินคือความเศร้ามองทางกายวาจาและใจเนี่ยนะปราศจากมนทินคือราคะโทสะและโมห oh ะท่านเหล่านั้นเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นบ่อเกิดแห่งคุณคืออธิศีลเป็นบ่อเกิดแห่งคุณคืออธิจิตและอธิปัญญาเนี่ยนะเป็นบ่อแห่งเกิดแห่งคุณคือวิมุตติวิมุตติยานทัศนะเป็นบ่อเกิดแห่งคุณคือคุณธรรมทั้งปวง เพราะท่านเหล่านั้นคือพุทธบุตรหรือว่าพุทธโอรสผู้เป็นธรรมทาญาติรับมรดกคืออริยธรรมทั้งมวลจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะอันก็ขอนอบน้อมแต่ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมนำออกจากทุกขผู้ที่ดำรงมั่นอยู่ด้วยคุณงามความดีและเป็นพนที่รักษาพระธรรมคาสอนตลอดจนถึงนาคาสอนมาเปิดเผยให้หมู่สัตว์เหล่าอื่นได้รับประโยชน์ ตามไปด้วยนี่ก็กล่าวถึงพระสารีบุตรเนี่ยนะว่าเพราะว่าพระสารีบุตรนี้เป็นผู้อาราธนาให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสแสดงพุทธวงศ์ก็เลยกล่าวว่าท่านพระสารีบุตรผู้เป็นธรรมเสนาบดีเสนาบดีก็คือแปลว่าเป็นใหญ่ในหมู่เสนาใช่ไหมผู้เป็นใหญ่ในหมู่เสนาหมายา็ว่าในกองทัพเนี่ยพระสารีบุตรใหญ่ที่สุด หรือแปลว่าในพุทธบริษัท4ีเนี่ยนะพิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกาพระสารีบุตรถือว่าเป็นใหญ่ที่สุดเว้นจากพระพุทธเจ้านะแต่เป็นใหญ่ในทางธรรมนะเป็นใหญ่ในทางประกาศอริยสัจธรรมเป็นใหญ่ในการแสดงธรรมตามพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรผู้นี้แหละที่เป็นอักขระสาวกข้างขวาเป็นแม่ทัพแห่งพระธรรมเป็นแม่ทัพในการประกาศอริยสัจธรรม ท่านบอกว่าทิศใดที่ภาษารีบุตรอยู่ทิศนั้นก็เสมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่เพราะว่าภาษารีบุตรเป็นผู้ประกาศธรรมจักรเป็นผู้สา ม, มารถแสดงธรรมจักรให้เป็นไปดุจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านนั้นเป็นเอตะทคขะเอตตะทค ะ, ะเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเลิศเป็นผู้ที่เลิศไม่มีใครมาเปรียบตามได้เพราะเป็นผู้เลิศกว่าเหล่าพุทธสาวกทางปัญญา ในบรรดาผู้ที่ฟังอริยศาสตร์แล้วตรัสรู้บรรลุมรรคผลนิพพานภาษาริบุตรมีปัญญามมากที่สุดเนี่ยนะปัญญาของภาษาริบุตรนี้เขาบอกว่าเม็ดทรายที่แม่น้ําคงคาเนี่ยนะเม็ดทรายที่ไหลไปตามแม่น้ํำคงคาหรือว่าทรายข้างๆแม่น้ํำคงคาจากเขาหิมะวันไปจนถึงทะเลเนี่ยนะเม็ดทรายเหล่านั้นน่ะยังคํานวณ น, นับได้ว่าทรายกี่เม็ดแต่ปัญญาภาษาริบุตรคํานวณไม่ได้ แม้กระทั่งว่าฝนที่ตกลงมาในทวีปทั้ง4เม็ดฝนหยาดน้นําฝนเหล่านั้นก็ยังคํานวณได้แต่ปัญญาของพระสารีบุตรคํานวณไม่ได้เพราะท่านจึงเป็นผู้เลิศ ก, กว่าผู้มีปัญญาทั้งหลายเพราะปัญญาของพระสารีบุตรนั้นถ้าผู้ใดถามท่านได้3วัน3คืนท่านก็ตอบได้3วัน3คืนถาม7วัน7คืนท่านก็ตอบได้7วัน7คืนเพราะปัญญาของท่านหาที่สุดไม่ได้พระสารีบุตรเคยนั่งคิดถึงคุณธรรมของตัวว่าตัวเองมีคุณธรรมแค่ไหน เขาบอกว่านั่งคิดถึงคุณธรรมของตัวเองก็นับไม่หมดจะกล่าวไปใหญ่ถึงคุณธรรมของพระพุทธเจ้าอันภาษารีบุตรนั้นเป็นธรรมเสนาบดีเป็นผู้ที่เครียกว่ารองเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองในพุทธเขตคือในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราภาษารีบุตรนั้นผู้มีปัญญาอย่างนี้ก็ได้ทูลถามพระาศาสดาผู้เป็นพระธรรมราชาจอมทัพธรรมผู้ทรงถึงฟัง หาขอบเขตไม่ได้ผู้ไร้มนทินถึงพุทธวงศ์ใดท่ามกลางหมู่พระประยุรญาตอันนี้ก็พูดถึงว่าคัมภีรพุทธวงศ์นั้นภาษาริบุตรถามที่ไหนถามพระพุทธเจ้าที่ไหนถามท่ามกลางสมาคมพระญาติตรงนี้เป็นคำที่ยกย่องพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้เป็นศาสดาคาว่าศาสดาแปลว่าผู้ที่พาหมู่สัตว์ทั้งหลายออกจากกันดาล พระองค์นี้พาหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายออกจากกันดานคือพบอนะออกจากกันดานคืออบายออกจากกันดานคือการมาพบออกจากกันดานคือวัตตะพระองค์คือศาสดาผู้สอนประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งนะสอนประโยชน์ให้ตรัสรูม้มรรคผลนิพพานพระองค์ผู้เป็นพระธรรมราชาคำว่าพระธรรมราชาเนี่ยนะผู้ใดมีสิ่งใดมากเขาเรียกว่าผู้นั้นเป็นราชาของสิ่งนั้น เช่นใครมีเงินมากเรียกมหาราชาเขาบอกงั้นผู้ที่เงินมีทรัพย์มีสเบียงมีอะไรทุกอย่างผู้ที่มั่งมีสามารถที่จะสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยด้วยสังขาวัตถุสประการได้ผู้นั้นเรียกว่าราชาราชาเนี่แปลว่าผู้ที่สามารถสงเคราะห์ประชาชนด้วยสังขาวัตถุได้ฉันใดพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมราชาเป็นผู้ที่สามารถสงเคราะห์หมู่สัพะสะ ท, ทั้งหลายด้วยพระธรรมได้ พันพระองค์เนี่ยเป็นเป็นเจ้าของแห่งธรรมเป็นผู้ที่มีธรรมอันหาประมาณไม่ได้พันพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้หาที่สุดไม่ได้พระธรรมที่พระองค์เอาออกมาแสดงก็เป็นสิ่งที่หาที่สุดไม่ได้กว้างขวางหาที่สุดไม่ได้พระองค์เนี่ยความที่พระองค์เป็นพระธรรมาราชาสา ม, มารถที่จะจำเนกสา ม, มารถที่จะแบ่งปันพระธรรมให้แต่ละคนตามสมควรแก่วาสนาบุญบารมีและ อุปนิสัยที่เขาสั่งสมมาเพราะองค์สามารถสงเคราะห์ได้สามารถสงเคราะห์ให้เขาให้ทานรักษาศีลเจริญสมถาวิปัสนาสงเคราะห์เขาให้เป็นโสดาบันสกธาคามีอนาคามีและพระอาหารทั้งหลายได้เหมือนในโลกนี้พระราชาก็แต่งตั้งให้บุคคลทั้งหลายดํารงในยศตําแหน่งต่างๆได้ฉันใดพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระธรรมราชาก็สามารถหยิบยืน่นเนี่ยนะสัทธานุสารีธรรมานุสารีทิฏฐิปัตตะ นะสามารถที่หยิบยืน่นอุปโตภาควิมุตตปัญญาวิมุตต์เป็นตน้นหยิบยื่นอริยะคุณทั้งหลายหยิบยื่นมรรคผลให้สัตว์ตรัสรู้ได้ตามสมควรแก่วาสนาบารมีพระองค์ก็เลยเป็นพระธรรมราชาสามารถหยิบยื่นความเจริญและความเสื่อมให้คนได้ถ้าพระองค์ไม่แสดงสัตว์ทั้งหลายก็เสื่อมพันพความที่พระองค์เนี่ยมีใจอนุเคราะห์มุ่งนําประโยชน์ไปให้แก่สัตว์ภาทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายก็เลยไม่เสื่อม พระองค์เป็นธรรมราชาเป็นผู้สงเคราะห์หมู่สัตว์ทั้งหลายโดยธรรมเนี่ยนะสงเคราะห์ให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้พระองค์นี้เป็นจอมทัพเนี่ยนะเป็นจอมทัพหมายคก็ว่าเป็นหัวหน้าเป็นหัวโจกในการประกาศอริยสัจธรรมในการประกาศธรรมจักรในการประกาศขอ้อปฏิบัติที่เป็นสัมมาปฏิปทาฮะนะพระองค์เป็นหัวหน้าในการประกาศอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดที่จะนำสัตว์ออกจากทุกข พระองค์เนี่ยถึงฝั่งแห่งทุกข์ทั้งปวงเนี่ยนะถึงฝั่งแห่งทุกฝั่งแห่งอะไรเครียกว่าฝั่งแห่งชราและมรณะฝั่งแห่งชราและมรณะก็คือพระนิพพานฝั่งแห่งชาติก็คือพระนิพพานฝั่งแห่งพบก็คือพระนิพพานฝั่งแห่งตันหาอุปาทานก็คือพระนิพพานฝั่งแห่งวัตตก็คือพระนิพพานพระองค์เสด็จถึงพระนิพพานที่เป็นฝั่งเป็นพระธรรมที่หาขอบเขตไม่ได้เนี่ยนะเป็นพระธรรมที่เป็น อับประมาณนะเป็นธรรมที่หาประมาณไม่ได้พระองค์นั้นเสด็จถึงฝั่งคือพระนิพพานที่ไร้ขอบเขตเขตแดนไม่มีข้อจํากัดพระองค์ผู้ไร้มนทินีน่นะดอกบัวที่เกิดในน้ําเจริญในน้ําอาศัยน้ําและโคลนตมทําให้เจริญงอกเงยดอกบัวที่เจริญพ้นแล้วเนี่ยนะพ้นจากน้ําก็ไม่มีกลิ่นอายแห่งน้ําและโคลนตมฉันใดพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้อุบัติเกิดขึ้นมาในโลกเจริญเติบโตในโลก อาศัยอยู่ในโลกแต่พระองค์ก็ไม่แปดเปื้อนด้วยโลกเพราะพระองค์พรากฉันทราคะจากโลกทั้งมวลพระองค์ดำรงอยู่ด้วยอริยะคุณทั้งหลายเนีเป็นผู้ที่สะอาดคําว่าไร้มนตินก็คือปราศจากความมวัมวมัวหมองโดยประการทั้งปวงนั้นถ้าจะถามหาผู้ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องผู้สะอาดอย่างแท้จริงก็ถามหาจากพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าใครอยากจะบอกว่าอยากจะรู้จักคนดีอยากจะคบคนดีคนที่ไม่มี สิ่งอะไรมาแปดเป ương, ื้อกไม่มีบาปอากุโสลธรรมเหล่าใดมาฉาบทาถ้าจะหาคนดีอย่างนั้นก็หาจากพระพุทธเจ้าถ้าจากคนอื่นๆเราไม่ต้องไปถามหามันก็มีข้อดีข้อชั่วแม่ร่างกายมันก็จะแปลว่าจะหาใครที่งามเต็มร้อยบริบูรณ์ก็หาความงามทางสรีระได้จากพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าถ้าหาจากคนอื่นคนอื่นมันพิการอยู่ในตัวตั้งกระหัวจดทามันต้องมีข้อพิการนั่นแหละไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งไม่ต้องไปถามหาว่า ลักษณะแห่งร่างกายเนี่ยมันจะงดงามไปทุกส่วนไม่เว้นแต่พระพุทธเจ้าในทางพฤติกรรมก็เหมือนกันทั้งกายกรรมและวจีกรรมเนี่ยนะก็ไม่มีสิ่งที่ทำคำที่พูดของผู้ใดจะสะอาดบริสุทธิ์ไร้มนทินปราศจากเครื่องเศร้าหมองเช่นกับพระพุทธเจ้าอีกแล้วหรือแม้กระทั่งทางจิตใจเนี่ยนะใครที่จะเป็นคนใจดี คำว่าใจดีในที่นี้แปลว่าใจที่ดีจริงๆอ่ะนะไม่มีใจชั่วอยู่เลยไม่มีใจชั่วที่ประกอบด้วยอภิชาไม่มีความชั่วคือพยาบาทไม่มีความชั่วคือมิจฉาทิฏฐิหรือความโง่เขลาฉาบทาอยู่เลยพระองค์นั้นเป็นผู้ที่สะอาดหมดจดไร้มนทินปราศจากความเศร้าหมองโดยประการทั้งปวงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะได้เป็นผู้ที่แสดงคมภีพุทธวงศ์ก็บอกว่า พระพุทธวงศ์อันใดพระพุทธวงศ์เนี่ยหมายถึงคมภีคำพีเนี่ยนะหมายถึงคําสอนที่ประกาศวงตระกูลก็ว่างั้นอ่ะวงก็คือวงตระกูลของผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าพุทธวงศ์นี้อันพระตถาคตพุทธวงศ์เนี่ยเป็นวงของใครวงของพระตถาคตพุทธวงศ์นั้นเป็นวงของผู้ตรัสรู้ดี ไม่ใช่วงของคนโง่ไม่ใช่วงของขี้เล่าเมายาเป็นวงของนักฆ่าเป็นวงของนักโกงเป็นต้นไม่ใช่พุทธวงศ์นั้นอ่ะเป็นวงของผู้ตรัสรู้ดีเป็นวงของผู้ที่อันนี้ยกสัมมาทิฏฐิเป็นประธานเลยนะเพราะสัมมาทิฏฐิเป็นเหตุให้ตรัสรู้พุทธวงศ์นั้นไม่ใช่วงปานาติบาตไม่ใช่วงนักฆ่าไม่ใช่ตระกูลนักฆ่าไม่ใช่ตระกูลนักโกงไม่ใช่ตระกูลคนที่เล่ยเล้นปลิ้นปล้อนเป็นต้นไม่ใช่เลย เป็นวงของผู้ที่มีปัญญาเป็นวงของผู้ที่ตรัสรู้เป็นวงของผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์แท้จริงเลยนะพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์เนี่ยเป็นวงของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ดีเป็นวงของพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ผู้มีสมาธิเป็นธรรมเครื่องอยู่คือพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นดำรงอยู่ด้วยอุปจาระสมาธิและอัปปนาสมาธิ คำว่าสมาธิเนี่ยนะดำรงอยู่ด้วยอุปจาระสมาธิและอปปนาสมาธิอปปนาสมาธิระดับปฐมฌานทุติยฌ า, าน ต, าตาานัติยฌานจตุตฌานอรูปฌานทั้งหลายอากาสานัญญาตนาวิญญาอากินและเนวสัญญาณสัญญายตนะตลอดจนถึงสมาธิที่เป็นโล ก, กุตระสมาธิสมาธิที่ สัมปยุตด้วยอรหัตผลสมาธิพระองค์นั้นมีเครื่องอยู่แม้กระทั่งสมาธิที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะสมาธิที่เกิดจากกรสิลสมาธิที่เกิดจากอสุภะสมาธิที่เกิดจากอาณ า, า, า, า, าปานสติหรือแม้กระทั่งสมาธิที่เกิดจากพรหมมิหารเป็นต้นพระองค์นี้ดำรงอยู่ด้วยสมาธิเหล่านั้นผู้เป็นนายกคือผู้นำพิเศษ นะไม่ใช่ผู้นำธรรมดาเพราะผู้นำในโลกนี้อย่างมากก็นำชั่วคราวผู้นำชั่วคราวนำบริษัทให้พ้นภัยแค่ชั่วคราวเรียกว่าเป็นผู้นำแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเฉพาะเรื่องๆไปไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้นำพิเศษซึ่งถ้าหากว่าพระองค์นำผู้ใดผู้นั้นพ้นทุกข์แน่พระองค์สอนผู้ใดผู้นั้นพ้นทุกข์แน่ในที่สุดเขาจักพ้นทุกข์เพราะว่าพระองค์เป็นผู้นาพิเศษ พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเปิดโอกาสเปิดโอกาสเนี่แปลว่าเปิดโอกาสในการตอบคําถามของภาษาลิบทุที่ได้ถามปัญหาพระองค์ก็ตอบพระองค์ได้ประกาศเอาไว้แล้วประกาศคำพีนี้ประกาศคำสอนผู้ทวงอันนี้ท่ามกลางหมู่พระปริยุราญาตินี่นะพระปริยุราญาติพระญ า, าติทั้งหลายทั้งญาติสายโลกิยะแล้วก็โลกิยะและก็สักยะเนี่นะ คำภีพระพุทธวงศ์นี้เหล่าโอรสพระสุคตโอรสเนี่ยแปลว่าผู้ที่เกิดจากอกอกในที่นี้คือพระธรรมพระธรร ม, มเทศนาเหล่าโอรสที่เกิดจากอกแห่งพระสุตคตคําว่าโอรสเนี่ยผู้เกิดจากอกสุคตก็คือพระพุทธเจ้าผู้เสด็จไปดีแล้วเสด็จไปสู่อมาตะนิพานเสด็จไปด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเสด็จไปไม่ย้อนกลับมาหาบาปอากุศลพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะเสด็จไปโดยการแสดงธรรม มีผู้ที่เขาตรัสรู้ทําตามผู้ใดตรัสรู้ตามที่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแสดงผู้นั้นเรียกว่าโอรสโอรสคือพุทธบุตรเหล่านั้นเนี่ยนะไม่ทําลําดับบาลีคือคําที่พระพุทธเจาเา้าแสดงและอัถะแห่งบาลีความหมายความหมายว่าพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสเนี่ยเรียกว่าบาลีพระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยพระองค์ต้องการสื่อให้รู้อะไรเรียกว่าความหมายความหมายอันนั้นโอรสเหล่านั้นไม่ทําให้เสื่อมเสีย ไม่ทำบาลีคือพุทธพจน์ให้บอกพร่องไม่ทำเนื้อความให้เสียหายก็แปลภาษาไทยว่าแปลว่าอะไรก็แปลว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างใดอ่ะนะถ้าเราแปลไม่ผิดพลาดเป็นต้นเราก็จะได้ฟังเนื้อหาเนื้อความเนี่ยนะอัฏถปพยัญชนะตามที่พระ อ, องค์ตรัสสมัยนั้นทุกประการนะนะไม่มีความผิดแผกอะไรหรอก เพราะว่าพระโอรสเหล่านั้นเนี่ยนะพระพุทธบุตรเหล่านั้นพระริยาเจ้าเหล่านั้นน่ะท่านช่วยกันรวบรวมตามที่ศึกษาตามที่สดับคือท่านเหล่านั้นอ่ะเป็นนักศึกษาจริงๆศึกษาในอธิศีนอธิจิตแลอธิปัญญาท่านเหล่านั้นสดับเพราะท่านเหล่านั้นอ่ะเป็นผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาคนมีศีลเนี่ยจะทําคําพูดให้เสียหายไหมแล้วคนที่มีสมาธิจิตใจจะฟุ้งซ่านไหม คนที่มีปัญญาเนี่ยจะเบลอเลือนเลือเทอะไหมไม่มีท่านเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นผู้ที่อยู่ด้วยอธิสีนอธิจิตและอธิปัญญาท่านเหล่านั้นมีการฟังพระพุทธวงศ์เมื่อท่านเหล่านั้นฟังเนี่ยนะการสืบต่อพระธรรมของท่านจะเป็นยังไงเพราะการสืบต่อพระธรรมของท่านนั้นถือว่าบริสุทธิ์ดีคือตรงนี้ท่านอยากจะบอกเราว่าคำพีพุทธวงศ์เหล่านี้ไม่ใช่เป็นคำพีที่ เกลื่อนกลลเรียรากกระจัดกระจายมั่วเก็บโน่นผสมนี่ปะโน่นไม่ใช่นะเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์มาดีเพราะว่ามีการสืบทอดกันมาอย่างบริสุทธิ์พุทธพ่องไม่ต้องไปสงสัยว่าพระธรรมเหล่านี้สืบทอดกันมาอย่างไรเนี่ย น, นะพันเขาก็มีการเรียบเรียงด้วยนะว่าพระไตรปิฎกในคําสอนพระพุทธเจ้ามีลําดับสืบทอดมาเช่นใดเนี่ย น, นะพันให้รู้เท่ว่ามีความบริสุทธิ์พุทธพ่องอยู่ในตัว เพราะเหตุที่การพันน า, นาขยายความพุทธวงศ์นั้นนั่นแหลอันไม่ขาดสายแห่งพระสัมมาสัมพุทธะผู้ประเสริฐซึ่งเป็นเรื่องอมะตะนะเรื่องไม่ตายคือคือพุทธวงศ์เนี่ยนะท่านบอกว่าเป็นอมะตะวัณกรรมอมะตะเองั้นอมะตะจริงๆอะนะเพราะอะไร มันอม like well, ตะขนาดไหนว่าเอาเรื่องแม้กระทั่งว่าเมื่อสีอสงไขยแสนกลับที่ที่แล้วเนี่ยมาพูดอย่างอะไรในโลกนี้เขาบอกว่าเรื่องไหนที่มันอยู่ได้หลายๆร้อยปีนี่เขาเรียกวรณกรรมอมตะแล้วเนี่ยนะอันนี้มันยิ่งกว่าอมตะเนี่ยนะมันไม่ใช่ร้อยปีเดียวไม่ใช่200 3้0ย0 0มร้อยหมื่นแสนล้านโกดล้านปีหรือหลายๆโกดล้านปีหรือแค่กลับเดียว2กลับไม่ นี่ก็เรื่องราวที่เป็นอมะตะวรรณกรรมเป็นการประกาศเรื่องราวที่เหมือนกับเรื่องไม่ตายมาสี่อสงไขยแสนกับเนี่ยนะท่านการอธิบายเนื้อความเหล่านี้เนี่ยท่านบอกว่าสืบเนื่องมาไม่ขาซ้ายเพราะการอธิบายเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าจะตรัสเนื้อความไปพอแสดงจบเนี่ยจะมีเรื่องพระภิสโสไปสนทนาสอบถามข้อประกินกะ ข้อปกินะกะเบ็ดตเตล็ดของเรื่องนั้นจะมาเรียบเรียงเป็นอัตกถาเพราะฉะนั้นคําอธิบายขยายความเหล่านั้นก็เป็นไปตามแนวพระพุทธพจน์ทุกประการเป็นไปตามอย่างที่พระพุทธเจ้าประสงค์ทุกอย่างคัมภีร์พุทธวงศ์นี่นะฟังแลว้วแนะผู้ใดที่ได้ฟังกันแล้วก็ทําให้เกิดความเลื่อมใสแล้วก็ทําให้เกิดปัญญาแก่สาธุชนทุกเมื่อแล้วก็เป็นไปตามลําดับเพราะถ้ามีการฟังตามลําดับ คำวาตามลําดับก็คือตามลําดับบทลําดับพยัญชนะลําดับอัคระลําดับของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าทีปังกรโกนธัญะมังคละสมณนะเป็นต้นเนี่ยนะถ้ามีการฟังมาโดยลําดับจริงๆศรัทธาที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นเรียกว่าความเลื่อมใสความผ่องใสแห่งใจจิตใจที่ผ่องใสใจผ่องใสก็แปลว่าความสบายใจความเอิบอิ่มทางจิตใจ ก็จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญญาทั้งหลายก็จะมีขึ้นคําว่าปัญญาเนี่ยนะคือความรู้ทั่วรู้พร้อมรู้อะไรรู้อดีตรู้อนาคตแล้วก็รู้ทั้งอดีตรู้ทั้งอนาคตฉะนถ้าผู้ที่ฟังพุทธวงศ์เนี่ยจะเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าและสามารถทําให้เป็นคนที่เอาเรื่องอดีตมาคิดได้ก็คิดเรื่องอดีตเพราะปัญญาเนี่ยคือความรู้ในเรื่องของอดีตมันผู้ที่ฟังกัมพีพุทธวงศ์เนี่ยจะทําให้เกิดทั้งศรัทธา ทำให้เกิดทั้งปัญญาผู้ที่มีศรัทธาและมีปัญญาเนี่ยนะก็แปลภาษาไทยว่ามีสารณะคําว่าสารณะเนี่ยก็คือคุณธรรมที่เกิดขึ้นจากศรัทธาและปัญญาเรียกว่ามีสารณะเพราะฉะนั้นถ้าฟังตามนี้แล้วจะมีสารณะจะมีที่พึ่งจิตตุบาทความคิดที่ประกอบไปด้วยศรัทธาความคิดที่ประกอบด้วยปัญญาก็จะมีขึ้นศรัทธาและปัญญาเหล่านั้นก็ดํารงมั่นใน พระพุทธคุณผู้ที่มีศรัทธาและปัญญาดํารงมั่นในพระพุทธคุณผู้นี้ก็ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันเพราะว่าศรัทธาและปัญญาอันนี้แหละเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันเมื่อศรัทธาในพระพุทธเจ้ารู้คุณของพระพุทธเจ้าเราก็จะเข้าไปใกล้ชิดพระพุทธเจ้าด้วยการตามระลึกถึงพุทธคุณว่าอิติปิโสเป็นต้นเนี่ยนะเมือ่อเข้าใจในพระคุณเท่าใดเราก็จะให้ความสําคัญในสิ่งที่ พระพุทธเจ้าสอนเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละเป็นพระธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเ <Me et S 2> มื่อคบพระพุทธเจ้าฟังสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนใจของเราก็จะเป็นไปกับคำสอนจิตใจของเราก็จะดำเนินไปตามคำสอนได้บ่อยขึ้นมากขึ้นจิตใจที่เป็นไปกับคำสอนได้บ่อยเท่าใดมากเท่าใดนั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อความสุขก็แปลว่า จิตใจใดที่เป็นไปกับคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยถูกต้องจิตใจเหล่านั้นจะไหลไปสู่พระนิพพานเพราะว่าศรัทธาเหล่านั้นเป็นสัจทินรีปัญญาเหล่านั้นเป็นปัญญินรีก็เท่ากับกล่าวอินรีทั้ง5ได้บริบูรณ์แล้วอินรีห้าที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วยังลงสู่อมะตะเป็นที่สุดเพราะการพันานาขยายความเนื้อความแหงง่งคมภีพุทธวงศ์น่ะนะ ถ้าเป็นไปไม่ขาดสายเป็นไปตามลำดับสาธุชนสาธุชนหรือว่าคนดีทั้งหลายคนที่มีศรัทธาทั้งหลายฟังแล้วก็จะมีศรัทธาแล้วก็มีปัญญาแล้วก็มีการปฏิบัติในที่สุดก็ถึงความพ้นทุกข์อันนี้คือประโยชน์ของคำภีนี่ว่ามีประโยชน์อย่างนี้แหลเมื่อฟังก็มีศรัทธาและเจริญด้วยปัญญา